เพราะฉะนั้นยาคูที่พึงกินแล้วดืม่มเชื่อว่ายาคูสําหรับดื่มกินของเหล่านั้นประกอบด้วยเนยไสน้ําพึ่งน้ําอ้อยปลาหาซื้อปลาซื้อเนื้อหาดอกไม้หาผลไม้หารสุดอร่อยๆเรียกว่าของเคี่ยวเอามารวมกันหมดเรียกว่าเป็นการปรุงแบบอืยิ่งสมัยนี้แรียกจัดโต๊ะจีนรับเลยแบบเหมือนกันนะนะจีนเรียกว่ารับยิ่งใหญ่มากมโ ห, โหราณใหญ่โตเลยพเพราะเกณฑ์ประชาชนมาเรีย่ยไรบอกบุญกันใหญ่โตนะ ทั้งของดอกทั้งอะไรว่าหาของหอมที่เขาใช้ทาศีษะสําสหรับผู้ที่ต้องการเล่นกีฬาคืองานนั้นแกเป็นเจ้าภาพรายใหญ่หมดไปแสนหนึ่งอล้วนะโดยส่วนตัวนี่หมดแสนหนึ่งก็ที่อะไรเอาของคนอื่นมาเยอะแยะไปหมดเลยครั้งนั้นเวลาเช้าตรูพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากที่ปฏิบัติสริระกิจเสร็จแล้วพร้อมมีพระภิสุสงแวดล้อมเสด็จบ่ายพระพักเข้าไปยังเมืองอาตุมานครเพื่อเที่ยวบินฑบาต น, นะ น, นะ ทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้เอาเรื่องของสุภัททะมาคิดเลยเนี่ยนะเจ้ามาพระองค์ก็บินธบตาตามปกติของพระองค์คนทั้งหลายก็ไปบอกหลวงตาสุภัททะนั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากําลังเสด็จเข้าบิณธบตาเนี่ยท่านจัดข้าวต้มจัดข้าวยาคูหงต้ ม, ต, มต้นรับใครทําให้ใครหลวงตาสุภัททะนั้นก็นุ่งผ้า ด, ดําเหล่านั้นเนี่ยโอ้โก็ะหืดกระออบเลยนะเดือดร้อนลําบากใจเลยแหละเอามือข้างหนึ่งจับทัพพีและกระบวย เรียกว่าใช้มือใช้จั บ, บอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเอามืออันหนึ่งเนี่ยจับผ้ากาสาวะผ้าดำใช่ไหมแหวนก็มันรุงรังหน้าดูอีกอันหนึ่งถือถือทับพีถือกระบวยก็คือกระบวยแปลว่าตักทับพียไว้ผัดเอาไว้อะไรเนี่ยนะ<ส>แล้วก็คุกเ ข, าข่าข้างขวาลงที่ผืนดินถวายบังคมดุดพรหมขาข้างหนึง่งเรียกว่าเอาย่อนลงดินอีกข้างหนึ่งตั้งขึ้นเนี่ยนะมื อ, อข้างหนึ่งถือถือทับพีถือกระบวยอีกข้างหนึ่ง ถือผ้ายักรังแล้วก็โอ้โหอาราธนาเลยนะดูแล้วน่าสังเวชอนะนะได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกของสายไม่เอามาเก็บไว้ที่บ้านเราเด็ดขาดเลยนะกลัวจะอัปมงคลอะไรงี้ย น, นะเสร็จแล้วก็คุกเข่าลงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงรับข้าวยาคูข้าวต้มของข้าพระองค์เธอแล้วทําทําเลี้ยงต้อนรับเป็นพิเศษอะไรเงี้ย น, นะ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถตรฐามสอบถามว่าอาหารนั้นไปยังไงมายัางไงคือพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ละเอียดละออนะอาหารเนี่ยได้รับการผ่านมาอย่างไรไปยังไงมายัางไงแล้วก็ฟังคําที่สุภัพธะเล่าให้ฟังทั้งหมดเสร็จแล้วพระองค์ไม่ได้อนุโมทนาแม้แต่คาเดียวตรงกันข้ามติเตียนพระสุภัพธวุฒิบัญปชิบเพราะเรื่องนั้นเป็นเหตุองค์บัญญัติศิกขาบทสองข้อ ศิกษาบทว่าด้วยการชักชวนในสิ่งที่เป็นอกตปญิยะชักชวนในเรว่าไปเรี่ยไรยผิดประเภทที่เป็นอาบัติเหมือนกันและศิกษาบทว่าด้วยการรักษาเครื่องมีดโกนมันผู้เคยเป็นช่างการระบบมาก่อนจะต้องไม่มีเครื่องรักมีดโกนเป็นของตัวเองเนี่ยมันจะโกนก็ต้องให้คนอื่นเขาทำให้ที่มาแล้วในขันตกะเสร็จแล้วพระองค์ก็บัญญัติทวินัยเบ็ดเสร็จจากตรงนั้นเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ยังแสดงธรรมตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลาย เหล่าภิกษุผู้สแสวงหาโภชนะล่วงไปหลายโกฏกัดแปลว่าเวียนไหวตายเกิดเพื่อสแสวงหาโภชนะสแสวงหาอาหารคือคําเข้ามากืนลงท้องเนี่ยนะพวกเธอบริภโภคโภชนะที่เป็นอัตติยะของพวกเธออันเกิดขึ้นโดยไม่ชอบธรรมอาหารที่ได้มานั้นแปลว่าไม่ถูกต้องลวงตาสุภาธาจะไปชักชวนอย่างนั้นได้อย่างไรเนี่ยนะนั้นเรียกว่าไม่ถูกต้องถ้าถ้าผู้ใดบริโภคอาหารอันนี้ จะต้องไปเกิดในอาบายอีกหลายแสนอัตมภาพแลล ว, ว่าเกิดในนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานอีกหลายแสนชาติเพราะฉะนั้นจงหลีกไปอย่ามาหยุดยืงคือคื อ, ค อ, คอสุภาพทานเนี่ยแบบคล้ายๆกับขวางถนนเลยนะนี่มลไปฉันท้งโน้นเถอะขอร้องอ้อนวอนแล้วพระองค์ก็ตำหนิอย่างเรื่อ ง, องรุนแรงเพราะหมายความว่าถ้าหากว่าไม่พระภิกษุทั้งหลายไปฉันอันนั้นก็ไม่ต้องคิดจะงอหัวออกจากวาตะอะไรหรอกเพราะของเหล่านั้นเนี่ยได้มาโดยมิจฉาอาชีพผิดธรรมผิดวินัยผิด คำสอนเนี่ยนะไม่ใช่สัมมาอาชีวะตามที่พระองค์สอนเอาไว้พรังก็เลยห้ามเสร็จแล้วพระองค์ก็ไม่อนุญาตให้พระพิสุแม้แต่รูปหนึ่งรับภิกษาอันนั้นขณะเดียวกันพระองค์ก็ชวนพระพิสุบินทบาทไปหลวงตาสุพัทธาเนี่ยตำหนิตัวเองนึกเกลียดพระพุทธเจ้า ปกติบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยแม้เราเองเนี่ยนะไม่รู้เลยปกติบัณฑิตจะตําหนิตัวน่เอเราเนี่ยนะไม่รู้เลยนะว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมอะไรควรอะไรควรอะไรดีอะไรไม่ดีเราเองน่าจะรอบคอบกว่านี้เราน่าจะมีการสอบถามเทียบเคียงอะไรสมควรอะไรไม่สมควรน่าจะมีข้อมูลศึกษาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเราต้องโอนตามพระพุทธเจ้าสิแล้วก็ตําหนิตัวเองเพื่อการแก้ไขให้พระพุทธเจ้าอดโทษ ถึงตั้งอยู่ในความสัมรวมระวังต่อไปแต่วิสัยคนพาลก็คือคนพาลเนี่ยนะการว่าคนพาลทั้งหลายเนี่ยก็คิดตรงกันข้ามแกแกเสียใจมากเลยนะเสียใจมากนี่แปลว่าโกรธมากเสียใจแปลว่าโกรธโกรธพระพุทธเจ้าผูกเว้นในพระพุทธเจ้าเลยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เข้าใจคือพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิญาณบอกว่าตัวเองสารพัดรู้สารพัดเห็น รู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็หมายถึงว่าสารพัดรู้สารพัดเห็นอ้างว่าเป็นสัพพันญูรู้ทุกเรื่องพระองค์ก็ถือว่าถ้าเป็นสัพพันญูจริงก็รู้อยู่แล้วแล้วพระองค์ยังไงพระองค์ก็ไม่รับเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ไม่รับเนี่ยควรทําไงพระองค์ก็น่าจะส่งคนเนี่ยมาบอกเราว่าอาหารที่ทําสุกอยู่นี้เนี่ยไม่ฉันหรอกมีใครฉันให้หรอกอย่าทําเลยมันเสียหายเสียรายตังค์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่ปรุงสําเร็จอย่างนี้มันอยู่ได้แค่เจ็วันไม่มีประโยชน์ แต่ข้าวของเหล่านี้เนี่ยนะที่เรารวบรวมแก้วแหวนเงินทองเลี้ยงชีวิตเราได้ตลอดชาติเราเนี่ยอุตส่าห์ทำทั้งหมดเพื่อถวายพระพุทธเจ้าพระองค์มาทำลายของของเราซะเสร็จสิ้นเลยหมดเลยพระองค์ก็ไม่ยอมฉันให้พระองค์เนี่ยนะเป็นคนที่ไม่หวังดีต่อเราเอาเลยน่าจะสงสารเราบ้างเขาเรียกว่าเรียกร้องความสงสารเนี่ยนะ แต่บางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยเขาน่าจะสงสารเราบ้างนะเขาน่าจะอย่งงางนั้นเขาน่าจะอย่างนี้ร้องเรียกโดยที่ตัวเองไม่เคยสงสารคนอื่นเลยนะบางคนเนี่ยเป็นลักษณะเนี่ยอย่างสุภธะเนี่ยนะเข้ามาอยู่แล้วว่าตัวเองนี้เข้ามาบวชในพระศาสนาของพระศาสดาถ้าตัวเองปรารถนาอยากจะทําบุญเช่นนี้ตัวเองก็ต้องอยู่ในแทขารวาสีิพระองค์ก็ไม่ไม่ห้ามอะไรอนุญาตด้วยแล้วพระองค์ก็ฉันให้ด้วย แต่นี้พร ะ, ะบวชเข้ามาปฏิญาณตนในฐานะเป็นพระภิกษุเนี่ยนะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระองค์สอนแล้วมาทําตัวในสิ่งที่ละเมิดต่อคําสอนไปทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคําสอนพระพุทธเจ้าตําหนิกลับเป็นว่าเสียใจที่ตัวเองทําผิดทำพลาดทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมไม่สมควรบอกนี้ไม่บอกแผลพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอ้างว่าพระองค์นี่สารพัดรู้สารพัดเห็นรู้ไปทุกอย่าง ถ้าหากว่าพระองค์รู้จริงน่าจะส่งคนมาบอกเราบ้างสิทําไมน่าจะสงสารกันบ้างนะเนี่อาหารนี่เรากินได้ตลอดชาตินะเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันเสียหายปรุงเสร็จแล้วอย่างเงี้ยอาหารเนี่ยเดี๋ยวเจดวันก็เน่าหมดแล้วเกลียดพระพุทธเจ้ามากเลยนะทีนี้ตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เนี่ยพูดอะไรไม่ได้แม้แต่คําเดียวเครียกว่าในสมัยที่เรียกว่าสมัยที่พระองค์มีพระชนอยู่พูดอะไรไม่ได้แม้แต่คําเดียวเพราะอะไรเพราะทุกคนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างว่าใครตําหนิให้ ตำหนิพระพุทธเจ้าให้คนอื่นได้ยินเนี่ยเหมือนกับว่ายิ่งกแบบับที่ถูกประนามเลยแบบนั้นเสียคนเลยอ่ะเสียคนเลยจริงๆเพราะอะไรเพราะทุกคนพักดีต่อพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงมอบกายถวายชีวิตอุทิศทั้งหมดแด่พระพุทธเจ้าถ้าหากว่าใครที่มาต่อตา้านพระพุทธเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็เลิกคุยด้วยแค่นั้นแหละแค่เราว่าไม่แค่เราว่าไม่นับเป็นญาติไม่นับเป็นมิตรเค่เราว่าคำว่ามิตรคำว่าเพื่อนไม่มีในคนพาน เพราะวนะ่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเขาบอกว่าความเป็นมิตรความเป็นญาติไม่มีอยู่ในหมู่คนผ่านมันคนพานจึงไม่นับว่าเป็นญาติไม่นับถือว่าเป็นมิตรไม่นับถือว่าเป็นพวกพ้องเพรา ะ, ะนั้นก็ได้ตัวเองก็ทําไงอ่ะพลาดมาหลายอย่างเลยใช่ไหมก็ได้แต่เงียบแต่ใจเนี่ยผูกเวรโกรธชุนก็เรียกว่าฉุนเฉียวในเรื่องของพระพุทธเจ้าเพราะมีอยู่คนเดียวนี่แหละที่บอกว่าเขามีอยู่สองกลุ่มนะที่พระพุทธเจ้าประณีตพานและดีใจกลุ่มที่หนึ่งคือเดียร์ธี กลุ่มที่สองนี่ก็คือหลวงตาสุภัทนานี่แหละที่ดีใจที่พระพุทธเจ้าปรินิาพานเพราะฉะนั้นแม้หลวงตาสุภัทนะนี่ถือว่าเป็นยิ่งกว่าศัตรูของพระศาสนาอีกนั น, นะเพราะอะไรเพราะถือว่าเกลือเป็นหนอนซะเองอะไรเงี้ย น, นะก็เหตุผลนี่ก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่มีความเมตตากรุณาต่อหลวงตาสุภัททะแต่หลวงตาสุภัททะควรจะรู้ฐานะที่เป็นจริงของตัวเองที่เข้ามาในพระศาสนาเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าก็ทํากิจของพระองค์ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วแม้แต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อะไรเรียกร้องแต่ความสนใจอยากจะทําตัวเป็นคนเด่นอยากจะทําตัวเป็นคนพิเศษให้พระพุทธเจ้าเนี่ยอะไรนะยกยอเยินยอ่อ ท, ทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรขึ้นมาพระองค์ก็ทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะพระองค์เป็นผู้ที่เขารบถังแต่วางว่านะอสสัตว์บรุษก็คิดอย่างอสสัตบุรุษคนพานก็คิดอย่างคนพานคิดส่วนบัณฑิตก็คิดตรงกันข้าม เพราะฉะนั้นพานกับบัณฑิ ต, ตท่านจึงบอกว่าอยู่ห่างกันเข้าเล่ากันว่าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นกับที่ดวงอาทิตย์ตกห่างกันทะเลฝั่งนี้กับฝั่งโน้นห่างกันแต่คนพานกับบัณฑิตทั้งหลายหาย่ า, ากบบงาากันยิ่งกว่านั้นนะคนพานกับบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยห่างกันยิ่งกว่านั้นอีกเหมือนท้องฟ้ากับแผ่นดินเป็นสิ่งที่ห่างกันฉนันใดพานกับบัณฑิตทั้งหลายก็ห่างกันฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้า ประพฤติปฏิบัติด้วยความสุขโตด้วยดีทุกอย่างหลวงตาสุภัธากลับผูกเวรผูกพยาบาทผูกอาฆาตทั้งๆ ท, ท, ที่ตอนแรกตัวเองก็บวชมาเพื่อถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาเลื่อมสายเอาลูกมาบวช ด, ด้วยนะเอาลูกมาบวช ด, ด้วยในที่สุดกลายเป็นศัตรูไปเลยเนี่ยนะเรียกว่าเจตนาดีแต่ประสงค์ร้ายประสงค์ทําลายและเจตนาตอนแรกนะเนี่ยตอนบวชนี่ตัวเองก็ต้องเอาขายอะไรเพื่อเรียกร้องความสนใจก็ขายว่าที่ตัวเองมาบวช เป็นคนที่นับถือาศาสนาจริงๆแต่ไอตอนที่ทำลายาศาสนานี่ไม่พูดสักคำเดียวเนี่ยนะเรียกว่าตอนที่ประสงค์ร้ายมุ่งทำลายาศาสนากลับไม่ไม่อะไรเลยนะมันก็เก็บใจเรียกว่าผูกใจไว้เออหาโอกาสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพอทราบว่าพระองค์ปรินิพานแล้วเนี่ยนะก็เลยหลวงตาสุภัทธ h a เขาคิดว่า พระมหาบุรุษนี้บวชจากตระกูลสูงถ้าหากว่าเราพูดอะไรตอนที่เรายังอตอนที่พระองค์มีชีวิตอยู่เราเนี่ยโดนคุกคามถูกคนอื่นเขาว่าเอาอย่างเดียวแต่พอได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็ดีใจร่าเริงเหมือนมีลมหายใจขึ้นเหมือนคนจะตายแล้วกลับฟื้นได้ลมหายใจบอกลโล่งอกไปทีดีใจจังเลยมีความสุขมากนะถ้าเราฟังงี้แล้วเราคิดยังไง คล้ายๆกับพ่อลูกหลายๆคนเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆนะในบรรดาจำนวนลูกทั้งหลายมันมีลูกคนหนึ่งทนะี่เราเรียกลูกนอกรีดนอกรอยนอกคอกเนี่ยนะพอได้ข่าวว่าพ่อแม่ตายเท่านั้นเลยจัดเลี้ยงฉลองเลยนะอูย้ยดีใจจริงๆเนี่ยนะบนเนื้อเกินเนี่ยนะเป็นต้นลูกบางคนเนี่ยเป็นลักษณะนั้นแต่ก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นลูกคนที่ไม่ใช่ลูกในหมู่ลูกทั้งหลายใช่ไหมนะ พรเหมือนอะไรเหมือนโรคถึงอเนื้องอกถึงมันจ ะ, ะสมมติอะมะเร็งถึงมันงอกอยู่ในร่างกายเราอยากจะนับเนื่องว่าส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีความจําเป็นมากใช่ไหมเราอยากพูดอย่างนี้ไหมไม่ทําไมอะ่ะเพราะเกิดขึ้นเพื่อทําลายโดยส่วนเดียวเนี่ยนะะก็เหมือนกับปลวกเข้าบ้านน่นแหละเหมือนปลวกเข้าบ้านเกาะกินข้างในถึงจะอยู่ข้างในบ้านแต่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ตัวบ้านเหมือนโรคภัไข้เจ็บไข้หวัดทั้งหลายถึงจะเกิดอยู่ในร่างกาย ก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ร่างกายไม่เชื่อไปหายใจอาวัดนกเข้าไปดูเองนะนะไม่ได้เป็นประโยชน์แน่นอนต่อร่างกายนะนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นประโยชน์เลยเนี่ยนะปัญผอพระมหาคสปะได้ฟังคําพูดอย่างนั้นเนี่ยนะก็มีความสําคัญว่าตัวเองได้ถูกประหารที่ใจเหมือนกับว่านี่มาตัดขั้วหัวใจกันชัดๆเหมือนกับอันนะ เหมือนกับถูกฟ้าผ่าลงบนศีรษะพระมหากษัตริย์ี่มีความรู้สึกอย่างนั้นนี่มันฟ้าผ่าตอนกลางวันใส่หัวกันชัดๆอย่างนั้นนี่มันตัดขั้วหัวใจกันชัดๆอยนันคําพูดอันนี้ท่านท่านก็ได้เกิดแต่ธรรมสังเวช ท, ท่านท่านท่านรู้สึก น, นะแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะมหาสังเวชเลยล่ะเป็นคําสังเวชที่ยิ่งใหญ่มากสลดใจอย่างยิ่ง ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานได้เพียงเจ็ดวันสรีระของพระองค์ก็ยังมีสีเหมือนทองคำยังอยู่แต่กากระ บ, บากระว่าอีกาตัวใจบาปกากาะก็คือกานะอีกาตัวบาปนะะแเรียว่าปากเยี่ยงกาเนี่ยนะอีกาตัวบาปที่เป็นเสี้ยนน้ำใหญ่หลวงเนี่ยเกิดขึ้นเร็วอย่างนี้ในพระศาสนา ทั้งๆ้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำมาด้วยความทุกข์ยากพระพุทธศาสนากว่าพระองค์จะสร้างบารมีทั้งเสบิอุป ป, รปารมีปรมัตถารมีมหาบริจกักห้ารวบรวมคุณธรรมพุทธภูมิทั้งหมดกว่าจะได้ประพฤติธปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอกอบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยด้วยความทุกข์ยากและลำบากแต่คนบาปนี้สิกลายเป็นเซียนน้ํากลายเป็นมะเร็งร้ายเนี่ยนะงอกขึ้นมาใน พระศาสนาแล้วคนบาปนี้ต่อไปจะเติบโตขึ้นคนพวกนี้หาพวกได้นะว่าเป็นนักนักพูด่ะนะเป็นคนช่างพูดหาพวกเก่งมากก็จะหาพวกได้เพราะฉะนั้นคนบาปเหล่านี้เมื่อได้พักได้พวกก็จะช่วยกันทําลายพระาศาสนาให้เสื่อมถอยคนเหล่านี้นี่แหละจะช่วยกันทําลายอัธิศีลที่พระพุทธเจ้าสอนช่วยกันทําลายอัธิจิตและอัธิปัญญาของ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำลายพระศาสนาข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรตตั้งแต่โสดาปติมรรตให้เกิดขึ้นบุคคลเหล่านี้เกิดมาเพื่อทำลายพระศาสนาเนี่ยนะ